จะได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆและจะแพร่หลายไปทั่วโลกการที่ข้าพเจ้ากล้าทำนายเช่นนี้ก็เพราะนับจําเดิมตั้งแต่ได้เขียนหนังสือเล่มนี้สำเร็จเป็นเล่มขึ้นมาจนถึงปัจจุบันทั้งที่ข้าพเจ้าก็ศึกษาค้นควาเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีแนวความคิดหรือทฤษฎีอะไรมาหักล้างยิ่งนานวันก็ยิ่งมองเห็นความจริงตามที่ได้เขียนเอาไว้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 ข้าพเจ้าจะไม่ขอถ่อมตัวเกี่ยวกับการเขียนหนังสือเล่มนี้เพราะยินดีที่จะได้รับคำย่อเย้ยจากผู้ที่เห็นว่าข้าพเจ้าเพ้อฝันหรือสำคัญตัวว่ายิ่งใหญ่เพราะความเป็นจริงพุทธศาสนาเปรียบเหมือนมหาสมุทรซึ่งมีความยิ่งใหญ่ลึกซึ้งสุ ข, ขุมเกินกว่าที่ใครๆจะพรรณนาได้ถูกต้องข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่ตัวที่เล็กๆที่ลองอย่างลงไปในมหาสมุทรแห่งนี้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 พรรัตนสุวรรณธันวาคมพุทธศักราช2514